จเจริญสติจเจริญปัญญาเรียกว่าพานากรรมาฐานเนี่ยเปว่าฐานที่ตั้งของการงานเช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ามีลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของสติอย่างเงี้ยเอาโอเคใช่คนต่อไปได้ก็ครับรองไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> แต่เกรงใจหลวงพอ่อาถามเท่านี้พอแล้ว <laughs> ยกไปคอยดูความรู้สึกของตัวเองนะให้กันบ้านแล้วนะจดไว้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 ไม่ถึ ง, ถงค่ะอ่าเดือนมกราปีที่แล้วดีขึ้นทีนี้ค่ะมกราดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ไปทําต่อไปเยวมคุณจะทํายังไงต่อไปทำอย่างที่ทํานี่แหละอ๋อค่ะแล้วทําทแล้วมันดีขึ้นเราไ่ทําอะไรอีกล่ะเดี๋ยวมันแย่ลงขอบคุณมากค่ะอาจารย์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 เนี่ยหลงเนี่ยกำลังหัวเนาะเห็นแล้วก็บางทีากาลังทำทำหนูชอบให้ทานอะหาชอบให้ของคนที่ทำงานอะไรเงี้ย่ะบางทีให้แล้วมันมีความสุขหนูเห็นจิตที่มันเป็นกุศลแล้วมันเยิ้มเย้มหนูก็กระชากกลับมาว่าเนี่ยไม่ใช่ละโอ้ยอย่าไปกระชาก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 เพราะว่าสมองเนี่ยจะสดชื่นที่สุดแค่นั้นแหละยากว่านั้นสมองหมดคุณภาพแนละ้วบางคนอยากให้เทสยาวๆหลายๆชั่วโมงไม่มีประโยชน์อยากฟังหลายๆชั่วโมงไปฟังซีดีฟังไดแต่หัวค่ำยันเช้าอย่างเทส์ไม่เลิกเลยนะ <c ười> ใครจิต อ, ออกนอกว่างสารภาพมาเห็นไหมว่า<ด>หนี<ด>ยอย่างรวดเร็ ว, เ, รวเลยนะ<ด><ด>แล้วมาบทไม่ได้นะโอ้